เสียงอ่านหนังสือความเข้าใจเรื่องกรรมธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนเสียงอ่านโดยชมรมผลดีเพลงบรรเลงโดยตองพีจัดทงเพื่อเป็นธรรมทานโดยครอบครัวโจติกะประสาสตคุณนัทาคเบคุณกอรชนกมาดวงสกน ร, ร่วมกับอีกหลายท่านรายชื่อเพิ่มเติมอยู่ท้ายเรื่องนะครับ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนร่วมศึกษาธรรมะไปพร้อมกันนะครับชีวิตเนื่องด้วยกรรมกรรมคืออะไรหลักกรรมนอกพระพุทธศาสนาจะพิสูจน์กรรมได้อย่างไรแนวคิดเรื่องกรรมเพราะเหตุไรจึงไม่เชื่อเรื่องกรรมการให้ผลของกรรมกรรมเวรและสุดท้ายนิทานเรื่องระงับเวร ชีวิตเนื่องด้วยกรรมชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งที่เป็นกรรมเก่าทั้งที่เป็นกรรมใหม่จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้คำว่ากรรมเก่ากรรมใหม่นี้อธิบายได้หลายระยะเช่นระยะใกล้กรรมที่ทําแล้วในอดีตชาติเรียกว่ากรรมเก่ากรรมที่ทําแล้วในปัจจุบันชาติเรียกว่ากรรมใหม่อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมากไป จนคนที่ไม่เชื่ออดีตเกิดความคลางแคลงไม่เชื่อจึงเปลี่ยนมาอธิบายระยะใกล้ว่าในปัจจุบันชาตินี่แหละกรรมที่ทำไปแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมเก่าส่วนกรรมที่เพิ่งทำเสร็จลงไปใหม่ๆเป็นกรรมใหม่แม้กรรมที่จะเข้าใจหรือที่จะทำก็เป็นกรรมใหม่เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องชีวิตได้ดีจาต้องทาความเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีด้วย คำว่ากรรมมีใช้ในภาษาไทยมากเช่นกรรมการกรรมกรกรร ม, มธิการแต่ในภาษาที่พูดกันเคราะร้ายมักตกอยู่แก่กรรมเคราะหดีมักอยู่แก่บุญดังนั้นเมื่อใครประสบเคราะห์ร้ายคือทุกภัยพิบัติต่างๆก็พูดว่าเป็นกรรมแต่เมื่อใครประสบเคราะห์ดีมักพูดว่าเป็นบุญและมีคำพูดกันว่า บุญธรรมกรรมแต่งเกณฑ์ให้กรรมเป็นฝ่ายดำให้บุญเป็นฝ่ายขาวความเข้าใจเรื่องกรรมและคำที่ใช้พูดกันในภาษาไทยจกเป็นอย่างไรให้งดไว้ก่อนควรทาความเข้าใจให้ถูกต้องตามความหมายในพระพุทธศาสนาคําว่ากรรมแปลว่ากิจการที่คนกระทาคําว่าธรรมหมายถึงทั้งธรรมด้วยกายอันเรียกว่ากายกรรม ทั้งทำด้วยวาจาคือพูดอันเรียกว่าวจีกรรมทั้งทำด้วยใจคือคิดอันเรียกว่ามโนกรรมบางทีเมื่อพูดกันว่าทำก็หมายถึงทำทางกายเท่านั้นส่วนทางวาจาเรียกว่าพูดทางใจเรียกว่าคิดแต่เรียกรวมได้ว่าเป็นการทำทุกอย่างเพราะจะพูดก็ต้องทำคือทำการพูด จะคิดก็ต้องทำคือทำการคิดจึงควรทำความเข้าใจว่าในที่นี้คําว่าท์ธรรมใช้ได้ทุกอย่างเมื่อได้ฟังว่าธรรมทางกายก็เข้าใจว่าทําอะไรโดยการที่เข้าใจอยู่แล้วเมื่อได้ฟังทางวาจาก็ให้เข้าใจว่าพูดอะไรต่างๆเมื่อได้ฟังว่าธรรมทางใจ ก็ให้เข้าใจว่าคิดอะไรต่างๆก็การฟังคำพูดอธิบายหลักวิชาอาจขวางหูอยู่บ้างแต่เมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็จะสิ้นขัดขวางกลับจะรู้สึกว่าสะดวกเพราะเป็นคำที่มีความหมายลงตัวแน่นอนคำว่ากรรมมักแปลกันง่ายๆว่าการทำแต่ผู้เพ่งสับและความแปลว่า กิจการที่บุคคลทาดังกล่าวแล้วถ้าแปลว่าการทำก็ไปพร้อมกับคำว่ากิริยาคำว่ากิริยาแปลว่าการทำโดยตรงส่วนคำว่ากรรมนั้นหมายถึงตัวกิจหรือการงานที่กระทำดังคำที่พูดในภาษาไทยที่ถูกต้องเช่นกสิกรรมพาณิชยกรรมและคำอื่นที่ยกไว้ข้างตน้น คำเหล่านี้ล้วนหมายถึงกิจการอย่างหนึ่งหนึ่งที่สำเร็จจากการทาคือกิริยากรรมคืออะไรกรรมแปลว่าอะไรได้กล่าวแล้วแต่กรรมคืออะไรจำต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า เรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมเพราะคนจงใจคือมีใจมุ่งแล้วจึงทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างฉะนั้นกรรมคือกิจที่บุคคลจงใจทำหรือทำด้วยเจตนาถ้าทำด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรมอย่างเช่นไม่มีเจตนาเหยียบมดตายไม่เป็นกรรมคือปานาติบาต ต่อเมื่อเจตนาจะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรมคือปานาติบาตแต่เมื่อจัดอย่างละเอียดสิ่งที่ทาด้วยไม่มีเจตนาท่านจัดเป็นกรรมชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมสักว่าธรรมเพราะอาจให้โทษได้เหมือนกันเหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานะประมาทกรรมเกี่ยวกับคนเราอย่างไร กรรมเกี่ยวกับคนเราหรือคนเรานั่นแหละเกี่ยวกับกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเรานั้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ก็มีเจตนาทำอะไรต่างๆพูดอะไรต่างๆคิดอะไรต่างๆอยู่เสมอโดยปกติไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่เฉยๆได้ถึงมือไม่ทำปากก็พูดถึงปากไม่พูดใจก็คิดถึงเรื่องต่างๆ การต่างๆที่ทํานี่แหละเรียกว่ากายกรรมคำต่างๆที่พูดนี่แหละเรียกว่าวจีกรรมเรื่องต่างๆที่คิดนี่แหละเรียกว่ามนโนกรรมกรรมนั้นดีหรือไม่ดีกรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นๆถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นก็เป็นกรรมดี เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนฉลาดหรือบุ ญ, ญกรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดีเป็นเครื่องชำระล้างความชั่วเช่นการรักษาศีลประพฤติธรรมที่จับคู่กับศีลหรือแม้กิจการที่ดีที่ชอบที่เป็นตามที่แสดงมาแล้วที่เป็นสุจริตต่างๆเช่นการตั้งใจช่วยมารดาบิดาทางานการตั้งใจเรียน การตั้งใจประพฤติตนให้ดีการช่วยเหลือเกื้อกูลมิตราหายการทำสาธารณะสงเคราะห์ต่างๆส่วนกรรมที่ให้เกิดผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นกรรมชั่วไม่ดีเรียกอากุศน ล, ลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนไม่ฉลาดบาปรกรรมกรรมที่เป็นบาปเช่นการประพฤติผิดในศีลธรรม ประพฤติจุติริตต่างๆที่ตรงกันข้ามกับกุศ ล, ลกรรมตัวอย่างของกรรมดีและกรรมไม่ดีข้างต้นนั้นกล่าวตามแนวพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแสดงเป็นทางปฏิบัติไว้ชัดเจนเรียกว่ากรรมมบทแปลว่าทางของกรรมเรียกสั้นๆว่าทางกรรม ทรงชี้แจงไว้เพียงพอและเข้าใจง่ายว่าทางไหนดีทางไหนไม่ดีคือกายกรรมกรรมทางกายนั้นค่าเขาหนึ่งลักของเขาหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งเป็นอกุศลไม่ดีเว้นจากการกระทําอย่างนั้นและอนุเคราะห์เกื้อกูลเขาหนึ่งเลี้ยงชีพในทางที่ชอบหนึ่งสังวรในกามหนึ่งเป็นกุศลเป็นส่วนดี วจีกรรมคือกรรมทางวาจานั้นพูดมุสาหนึ่งพูดส่อเสียดเพื่อให้เขาแตกกันหนึ่งพูดคำหยาบด้วยใจมีโทสะเพื่อให้เขาเจ็บใจหนึ่งพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลหนึ่งเป็นอกุศลไม่ดีเว้นการพูดอย่างนั้นละพูดแต่ความจริงหนึ่งพูดสมัรสมานหนึ่งพูดคำสุภาพระเรื่อหูจับใจหนึ่ง พูดมีหลักฐานถูกต้องชอบด้วยกาลเทศะหนึ่งเป็นกุศลเป็นส่วนดีมโนกรรมคือกรรมทางใจนั้นคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขามาเป็นของของตนเองหนึ่งคิดพยาบาทมุ่งร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดจกคลองทมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหนึ่งเป็นอกุศลไม่ดี ไม่คิดอย่างนั้นและคิดเผื่อแผ่หนึ่งคิดแผ่เมตตาจิตให้เขาอยู่เป็นสุขหนึ่งคิดเห็นชอบตามคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหนึ่งเป็นกุศลเป็นส่วนดีคนที่เว้นจากทางกรรมเป็นอกุศลดำเนินไปในทางกรรมที่เป็นกุศลเรียกว่าธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติธรรมสมะจารี ผู้ประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอความประพฤติดังนี้เรียกว่าธรรมจริยาหรือธรรมจัญญาสมจริยาหรือสมมาจัญญาสมจริยาดังนี้แหละคือหลักสมภาพในพระพุทธศาสนาสมภาพคือความเสมอกันนั้นอาจทำให้เสมอกันได้ในทางที่อาจจะทำได้ แต่ไม่อาจทำให้เสมอกันได้ในทางที่ไม่อาจจะทำในทางที่ไม่อาจจะทำนั้นเช่นคนเกิดมามีเพศต่างกันมีรูปร่างสูงต่ำดำขาวต่างกันเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะทำให้เสมอกันได้เช่นทำให้สูงต่ำเท่ากันหมดแม้ในคนเดียวกันนั้นนิ้วทั้งห้าก็ไม่เท่ากันจะทำให้เท่ากันได้อย่างไร สิ่งที่ไม่อาจจะทำให้เท่ากันได้ถ้าใครไปพยายามจัดทำเข้าก็เหมือนกับนิทานเรื่องเปรตจัดระเบียบเรื่องมีอยู่ว่ามีคนเดินทางหลายคนเข้าไปนอนพักอยู่ในศาลาซึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางหลังหนึ่งเมื่อพากันนอนหลับแล้วมีเปรตเจ้าระเบียบตนหนึ่งเข้าไปในศาลาเห็นคนนอนอยู่เป็นแถวจึงไปตรวจ ด, ดูทางเท้า ก็เห็นเท้าของคนนอนหลับไม่เสมอกันจึงดึงเท้าของคนเหล่านั้นลงมาให้เสมอกันครั้นตรวจ ด, ดูเห็นเท้าเป็นแถวเสมอกันเรียบร้อยดีแล้วก็ไปตรวจ ด, ดูทางด้านศีรษะเห็นศีรษะของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกันจึงดึงศีรษะให้ขึ้นมาเสมอกันเป็นแนวเดียวทั้งหมดแล้วก็ย้อนกลับไปตรวจ ด, ดูทางเท้าอีกก็เห็นเหลื่อมล้มไม่เสมอกันอีกก็ดึงเท้า ให้เสมอกันใหม่อีกคนก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเป็นสุขเพราะต้องถูกดึงเท้าบ้างดึงศรีรษะบ้างขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้จักแล้วเสร็จทั้งเปรตเจ้าระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอกันได้การจัดให้เสมอกันในทางที่ไม่อาจจะจัดได้เช่นนี้เป็นการจัดที่ไม่สําเร็จรังแต่จะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบสุขอย่างเดียว ส่วนการจัดให้เสมอกันในทางที่อาจจัดได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงจัดด้วยหลักสมะจริยานี้คือเว้นจัดทางกรรมฝ่ายอากุศลดำเนินในทางกรรมฝ่ายกุศลตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นคราวนี้มาพิจารณาดูว่าเมื่อปฏิบัติในสมะจริยานั้นเป็นสมาภาพได้อย่างไรสมาภาพแปลว่าความเสมอกัน คือตัวเราเองกับผู้อื่นหรือผู้อื่นกับตัวเราเองเสมอกันตัวเราเองรักสุขเกลียดทุกผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกเหมือนกันตัวเราเองไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นมาก่อกรรมที่ไม่ดีแก่เราทุกๆข้อพอใจแต่จะให้เขามาประกอบกรรมที่ดีแก่เราทั้งนั้นถึงผู้อื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่ประสงค์ใหเราไปก่อกรรมชั่วร้ายแกเขา ประสงค์แต่จะให้เราไปประกอบกรรมที่ดีแก่เขาเท่านั้นเมื่อทั้งเราทั้งเขาต่างมีความชอบและความไม่ชอบเสมอกันอยู่เช่นนี้ทางที่จะให้เกิดสมภาพได้โดยตรงก็คือทั้งสองฝ่ายต่างดำเนินเข้าหาจุดที่เสมอกันนี้คืองดเว้นจากทางกรรมที่ชั่วร้ายซึ่งต่างก็ไม่ชอบให้ใครมาทาแกตนด้วยกันและดาเนินไปในทางกรรมที่ดี ซึ่งเกื้อกูลกันที่ต่างก็ชอบจะให้ใครมาทำแก่ตนด้วยกันเมื่อประพฤติดังนี้สมภาพที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นและเป็นสมภาพคือเป็นความเสมอกันจริงๆและเมื่อมีสมภาพดังนี้พระราดระภาพคือความเป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติที่คุ้นเคยไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้นเสรีภาพ คือความมีเสรีอันที่จะไปไหนไหนได้ทำอะไรได้โดยที่ไม่ถูกใครเบียดเบียนแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยก็เกิดขึ้นสมจริยาของพระพุทธเจ้าอันยังให้เกิดสมภาพพราโดรภาพเสรีภาพดังกล่าวมานี้เป็นธรรมจัญญาความประพฤติ ธ, ธรรมประกอบอยู่ด้วยหลักยุติธรรมและศีลธรรมต่างๆบริบูรณ ถ้ามีปัญหาประพฤติ ธ, ธรรมคือประพฤติอย่างไรก็ตอบได้ว่าประพฤติให้เป็นสมะจาริยาดังกล่าวนั่นเองและเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้วคําว่าสมะจาริยาจะแปลว่าความประพฤติเรียบร้อยสม่าเสมอก็ได้ความประพฤติสมควรหรือเหมาะสมก็ได้ความประพฤติโดยสมาภาพก็ได้เป็นคาแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น ดังนี้แหละเป็นธรรมจัญยาฉะนั้นหลักธรรมจัญยาของพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักที่เป็นแม่บทของหลักทั้งหลายแห่งความสุขสงบของชุมชนทั่วไปถ้าไม่อยู่ในแม่บทนี้แล้วจะเกิดความสงบสุขไม่ได้สมภาพพระดรภาพเสรีภาพก็จะมีขึ้นไม่ได้ จะได้ก็เช่นเสรีภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและผู้ที่จัดทำไปนอกแม่บทก็จะเป็นเหมือนเปรตจัดระเบียบดังกล่าวแล้วซึ่งต้องจัดการไม่รู้จักเสร็จทั้งเป็นการก่อภยัยก่อเวณก่อศัตรูและความวุ่นวายเดือดร้อนจัดกันไปจนโลกแตกก็ไม่เสร็จกรรมตามที่กล่าวมานี้ที่ชี้ระบุลงไปว่า กรรมคืออะไรและทำอย่างไรเป็นกรรมดีทำอย่างไรเป็นกรรมไม่ดีเป็นทางกรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลักใหญ่ๆได้เป็นสามข้อคือหนึ่งพระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมใครทำดีก็เป็นกุศลติดตัวอยู่ใครทำชั่วก็เป็นอกุศ ล, ลกรรมติดตัวอยู่ 2. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมวิบากคือผลของกรรมผลที่ดีเกิดจากกรรมที่ดีผลที่ชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่วไม่สับสนกันเหมือนอย่างผลมะม่วงเกิดจากต้นมะม่วงผลขนุนเกิดจากต้นขนุนหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นสา พระพุทธศาสนาแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนคือตัวเราเองทุกๆคนเป็นเจ้าของกรรมที่เราทําและเป็นเจ้าของผลของกรรมนั้นๆด้วยเมื่อตัวเราเองทําดีก็มีกรรมดีติดตัวและต้องได้รับผลดีเมื่อตัวเราเองทําไม่ดีก็มีกรรมชั่วติดตัวและต้องได้รับผลชั่วไม่ดีจะปัดกรรมที่ตัวเราเองทําให้พ้นตัวออกไป และจะปัดผลของกรรมให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้ไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง <inte> <hundred> เมื่อหลักกรรมของพระพุทธศาสนามีอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทุกๆุกคนมันนึกคิดอยู่เสมอเสมอว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นกรรมมัทายาตคือเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะตนเป็นคนคนไปนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีต่างๆกันเป็นต้นหลักกรรมนอกพระพุทธศาสนา ส่วนในลทัทธิอื่นบางลทัทธิปฏิเสธกรรมเสียเลยบางลทัทธิรับรองหลักกรรมบ้างปฏิเสธบ้างแต่การระบุว่าทําอะไรเป็นกรรมดีทําอะไรเป็นกรรมไม่ดีก็มีกล่าวไว้ต่างๆกันลทัทธิที่ปฏิเสธหลักกรรมเสียเลยนั้นคือปฏิเสธว่ากรรมดีชั่วไม่มีผลของกรรมดีชั่วไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีกรรมเป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของของกรรม และเมื่อใดทำอะไรทำแล้วก็แล้วไปไม่เห็นมีอะไรที่เรียกว่ากรรมเหลือติดตัวและที่ว่าดีไม่ดีนั้นก็เป็นการว่าเอาเองใครชอบก็ว่าดีใครไม่ชอบก็ว่าไม่ดีเหมือนอย่างฝนตกแดดออกใครชอบก็ชมใครไม่ชอบก็ติโดยที่แท้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีผลอะไรกรรมอะไร ส่วนผลต่างๆที่ได้รับนั้นเกิดขึ้นตามคราวตามสมัยเหมือนอย่างผลไม้ต่างๆถึงคราวจะมีผลก็มีผลขึ้นตามชนิดลัทธิที่รับบ้างปฏิเสธบ้างเช่นรับว่าเมื่อทำอะไรไปก็เป็นบุญเป็นบาปทำนองรับรองว่ากรรมมีแต่เมื่อคราวจะต้องรับผลของกรรมก็อยากจะรับแต่ผลของกรรมดี ไม่อยากรับผลของกรรมชั่วจึงแสดงวิธีทำให้หายบาปเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ทำเองจึงไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของของกรรมที่ทำอย่างแน่นอนแต่มีเจ้าของอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจเป็นผู้บันดาลผลอะไรให้เกิดแก่ใครก็ได้อาจเป็นผู้ยกบาปเพิ่มบาปให้ก็ได้มีเรื่องเล่าไว้ในพงศาวดารลังกาว่า ในระหว่างพุทธศตวรรษที่22โอรสของเจ้าผู้ครองรัฐที่อยู่กลางเกาะนามว่าราชสิงห์หะได้ทำปิตุคาตคือลงพระชนพระบิดาแล้วเกิดกลัวบาปจึงได้ประชุมพรามถามหาวิธีล้างบาปฝ่ายภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตอบว่าเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่ให้ผลในอันดับสืบไปทีเดียว ไม่มีอะไรมาขั้นได้ไม่มีทางล้างบาปได้พวกพราหมณ์ตอบว่ามีวิธีล้างบาปราชสิงหะจึงขัดเคืองภิกษุสงฆ์ไปนับถือศาสนาพราหมณ์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของคนที่อยากจะรับแต่ชอบไม่อยากรับผิดจากกรรมของตนอันหนึ่งลทัทธิใดๆแม้จะรับรองหลักกรรมอยู่บ้าง แต่ก็แสดงว่าทําอะไรดีอะไรไม่ดีต่างๆกันเพราะถือหลักต่างๆกันเหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ที่ทางพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นบาปแต่ละที่อื่นแสดงว่าเป็นบุญก็มีหลักในการชี้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปในทางพระพุทธศาสนาควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่า คือหลักธรรมจริยาสมารจริยาดังกล่าวแล้วข้างต้นหรือหลักเมตตาหลักยุติธรรมฉะนั้นที่พูดว่าทุกลทัทธิศาสนาสอนให้คนละชั่วทำดีจึงนับถือได้เหมือนเมือนกันอาจจะเป็นคำพูดเพื่อประนีประนอมหรือเพื่อแสดงมัญญาตว่าไม่ยกตนข่มท่านเจตนาก็ดีอยู่แต่ถ้าจะต้องนับถือกันจริงๆ จะต้องพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่เหมือนกันปฏิบัติไปคนละอย่างเพราะเห็นว่าเป็นการถูกผิดเป็นบุญบาปหรือดีชั่วกันไปคนละอย่างเหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ดังกล่าวแล้วได้ทราบว่าคราวหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ได้รับสั่งถามท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันโทวัดประรมนิวาสว่าเห็นว่าค่าสาัตบูชายันไปสวรรค์เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบหรือมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดท่านเจ้าคุณอุบาลีตอบว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแขกดังนี้ท่านตอบเพียงเท่านี้จะพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่า มีได้นับถือได้เหมือนกันจริงไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือลัทธิศา ส, สนาอื่นแม้พุทธศาสนกชนเองซึ่งมีศรัทธาในกรรมอยู่บ้างก็ยังคลางแคลงกันอยู่โดยมากว่าผู้ทำกรรมจะได้รับผลกรรมเมื่อไรเพราะตามที่ปรากฏเห็นกันอยู่บางคนทำดีแต่ไม่เห็นว่าได้ดีบางคนทำชั่วแต่ไม่เห็นว่าได้ชั่วบางทีกลับได้ผลตรงกันข้าม จะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนาจะพิสูจน์กรรมได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เมื่อพูดว่าอะไรเป็นอะไรก็มักจะถูกถามว่าพิสูจน์ได้หรือไม่ เหมือนอย่างวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันทุกๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นหรือดังที่เรียกว่าปรากฏการ์นั้นต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แน่ในเมื่อมีเครื่องพิสูจน์ที่เพียงพอแต่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ชนิดไหนก็สุดแต่สิ่งที่พิสูจน์ถ้าสิ่งที่พิสูจน์นั้นเป็นวัตถุหรือสสารก็พึงพิสูจน์ด้วยเครื่องพิสูจน์สาหรับวัตถุ หรือ ส, สารนั้นทางวิทยาศาสตร์ดังนี้เป็นต้นถ้าสิ่งที่พิสูจน์เป็นอย่างอื่นจะใช้เครื่องพิสูจน์สําหรับวัตถุหรือสสารนั้นก็หาได้ไม่ถ้าจะพึงใช้เครื่องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้ทุกอย่างแล้วสารหลวงก็ไม่ต้องตั้งขึ้นเพราะเมื่อใครถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่าทำผิดก็จับตัวมาเข้าห้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ต้องขึ้นสาร ในบัดนี้แม้จะมีเครื่องจับเท็จก็ใช้เป็นเพียงเครื่องมือประกอบเท่านั้นใช้เป็นเครื่องวินิจฉัยเด็ดขาดหาได้ไหมฉะนั้นจะพิสูจน์อะไรก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์ที่ควรกันกล่าวอย่างสรุปเมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็นวัตถุหรือ ส, สารก็ใช้เครื่องพิสูจน์ในทางนั้นเมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็นความจริงที่นอกไปจากวัตถุหรือ ส, สาร ก็ต้องใช้เครื่องพิสูจน์อย่างอื่นที่จะชี้ถึงความจริงนั้นๆได้ดังวิธีที่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่แล้วเป็นต้นว่าการพิสูจน์ความผิดเมื่อบุคคลถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่าทำผิดกฎหมายก็ต้องพิสูจน์กันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเช่นสืบสวนสอบสวนไต่สวนพิจารณาวินิจฉัยโดยยุติธรรมตามกฎหมาย การพิสูจน์ภูมิรู้สติปัญญาเรื่องนี้จะช่างตวงวัดอย่างวัตถุหรือคำนวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ให้รู้ว่าใครมีภูมิสติปัญญาเท่าไรหาได้ไหมเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีส่วนกว้างบางตื้นลึกหนักเบาอย่างสิ่งของฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีให้แสดงออกเหมือนอย่างในครั้งโบราณผู้ที่เรียนสำเร็จศิลปาศาสตร์มาแล้ว แสดงศิลปศาสตร์นั้นในที่ประชุมในบัตรนี้ก็ใช้การสอบต่างๆ ต, ตั้งข้อสอบให้ตอบเมื่อตอบได้ตามกฎเกณฑ์ก็รับรองว่าสอบได้มีภูมิรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แม้การวัดภูมิสติปัญญาที่เรียกว่า i อของฝรั่งก็เป็นวิธีตั้งปัญหาให้ตอบเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดสินว่ามีสติปัญญาขนาดนั้นขนาดนี้ วิธีพิสูจน์ด้วยการสังเกตจากการแสดงออกนี้ก็คล้ายเป็นการทำนายอย่างหมอดูซึ่งทำนายไปตามหลักเกณฑ์ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนอย่างรู้ด้วยญาณคือความอย่างรู้จริงแต่เรียกว่าเป็นญาณสมมุติก็พอได้คือต่างว่าเป็นญาณเมื่อใช้วิธีซึ่งเป็นที่รับรองกันแล้วเช่นวิธีสอบดังกล่าวก็เป็นใช้ได้ การพิสูจน์มติและจิตใจเมื่อต้องการจะรู้ว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรจะใช้เครื่องช่างตวงวัดเป็นต้นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้วิธีให้แสดงออกมาในทางการเมืองเช่นออกเสียงเลือกตั้งออกเสียงประชามติในการประชุมเช่นอภิปรายการลงมติและในส่วนปลีกย่อย เฉพาะเรื yeah, ่องเฉพาะบุคคลก็ใช้วิธีแยให้บุคคลนั้นแสดงออกมาและสังเกตจากอาการที่เขาแสดงออกมานั้นแต่ถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรออกมาแล้วก็จะรู้ไม่ได้เว้นไว้แต่จะมีญาณอย่างรู้จิตใจของเขาเท่านั้นการพิสูจน์ต่างๆตามที่กล่าวมานี้แสดงว่าเครื่องพิสูจน์นั้นมีต่างๆ เมื่อเป็นวัตถกุก็นำเข้าห้องวิทยาศาสตร์เมื่อเป็นความผิดก็เข้าโรงสารเมื่อเป็นภูมิรู้ก็นำเข้าสอบไล่เมื่อเป็นจิตใจก็แย่ให้แสดงออกดังนี้เป็นต้นคราวนี้เป็นกรรมจะนำเข้าวิธีไหนจะนำเข้าโรงสารหรือนำเข้าห้องสอบไล่ดังกล่าวแล้วเป็นต้นก็คงไม่ได้ผลจึงต้องนำเข้าพิสูจนตามหลักเหตุผล อันเป็นเหตุผลอย่างธรรมดาสามัญที่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยสามัญสำนึกของทุกๆุกคนดังจะกล่าวต่อไปนี้ทุกๆุกคนเมื่อตากแดดก็ร้อนเมื่ออาบน้าก็เย็นเมื่อได้รับความร้อนเย็นตามที่ต้องการก็เป็นสุขเมื่อได้รับเกินต้องการก็เป็นทุกสิ่งที่ทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกเหล่านี้เรียกว่าเหตุ ส่วนความสุขหรือความทุกข์ที่ได้รับเรียกว่าผลถ้าเป็นเหตุผลในทางให้เกิดสุขก็เรียกว่าดีถ้าเป็นเหตุผลในทางให้เกิดทุกข์ก็เรียกว่าชั่วร้ายเหตุผลที่เกิดจากการทำของบุคคลก็เช่นเดียวกันเช่นเมื่อผู้ใดมารังแกตัวเราให้เดือดร้อนเราก็เห็นว่าคนนั้นไม่ดีเกเร เมื่อมีผู้ใดมาช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราให้สุขสบายเราก็เห็นว่าคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนมีคุณเกื้อกูลตัวอย่างง่ายๆดังกล่าวนี้เป็นเครื่องแสดงว่าทุกๆคนต่างก็มีสามัญสำนึกบอกตัวเองอยู่ว่าความดีและความชั่วมีจริงเพราะเรารู้สึกตัวของเราเองว่าคนนั้นทำดีแก่เราคนโน้นทำชั่วร้ายแก่เรา และในทํานองเดียวกันตัวเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเราเองทําดีหรือไม่ดีอย่างไรจนถึงบางทีรู้สึกภูมิใจในความดีของเราหรือเสียใจในความชั่วของเราในเมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้นอันความดีหรือความชั่วที่ตัวเราเองทําหรือที่คนอื่นทําซึ่งปรากฏในความรู้สึกของคนเรานั้นคืออะไรเล่าก็คือกรรมนั่นเอง เป็นกุศลกรรมกรรมดีบ้างเป็นอกุศลกรรมกรรมชั่วบ้างฉะนั้นกรรมจึงมีจริงและมีตัวอยู่จริงเพราะติดอยู่ในความรู้สึกในจิตใจของตัวเราเองท่านผู้ทำความดีให้แก่เราเช่นมานดาบิดาและผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายพระคุณของท่านเหล่านี้ยอมติดอยู่ในจิตใจของตัวเรา เกิดเป็นความกระตันยูรู้พระคุณที่ท่านได้ทําและกระตะเวทีประกาศพระคุณที่ท่านได้ทําแล้วคือการตอบแทนพระคุณท่านในทางตรงกันข้ามเมื่อใครทําไม่ดีต่อเราก็มักจะติดใจตัวเรากลายเป็นผูกเวรกันตอบไปได้เหมือนกันกรรมของคนอื่นยังติดใจตัวของเราเองอยู่ได้ถึงเช่นนี้ ชนไหนกรรมของเราเองจะติดใจของเราเองอยู่ไม่ได้เราไม่สามารถจะแกล้งลืมกรรมของเราได้ถึงจะลืมไปแล้วก็ยังฝังอยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจเพราะกรรมเกิดจากเจตนาของเราจึงเป็นรอยจาลึกของจิตใจเมื่อรู้สึกว่ากรรมมีจริงทําดีเมื่อใดเป็นกรรมดีเมื่อนั้นทําไม่ดีเมื่อใด เป็นกรรมชั่วเมื่อนั้นปัญหาต่อไปจึงมีว่ากรรมวิบากคือผลของกรรมมีหรือไม่และมีอย่างไรคิดดูง่ายในเวลาสอบไล่เมื่อได้รับข้อสอบคิดออกตอบได้สอบไล่ได้การที่ตอบได้สอบไล่ได้ผลดีเกิดจากความตั้งใจเรียนดีเนี่ยแหละคือกรรมดี ทำให้เกิดผลดีคือการสอบไล่ได้ถ้าตรงกันข้ามเรียนยังเลวไหลจนถึงสอบไม่ได้นี่เป็นกรรมชั่วทำให้เกิดผลชั่วคือสอบตกฉะนั้นผลของกรรมจึงมีอยู่จริงและมีตามชนิดของกรรมคือผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วเพราะกรรมดีย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วเสมอไม่สับสนกันเหมือนอย่างต้นมะม่วงให้ผลเป็นมะม่วงต้นขนุนให้ผลเป็นขนุนเป็นไปตามชนิดแต่ยังมีปัญหาต่อไปอีกกรรมและกรรมวิบากนั้นเป็นของใครคิดดูง่ายๆอย่างการเรียนการสอบดังกล่าวแล้วคนไหนเรียนคนนั้นรู้ คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้ถ้าไม่เรียนใครจะมาบัรดาลให้ใครรู้ขึ้นเองหาได้ไม่ฉะนั้นกรรมและกรรมวิบากจึงเป็นของของคนที่ทำกรรมนั่นเองผู้ใดทำกรรมอย่างไรก็ยอมได้รับผลกรรมอย่างนั้นเหมือนอย่างหวานพืชเช่นใดยอมได้รับผลเช่นนั้นทุกๆคนจึงต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง จะป้ายให้คนอื่นไม่ได้คนที่ทำดีเช่นประพฤติตนเรียบร้อยช่วยทำกิจที่เป็นประโยชน์เป็นต้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจะเป็นคนดีขึ้นเพราะกรรมของตนใครจะรู้จะชมหรือไม่ก็ตามตัวผู้ทำเองก็รู้สึกตัวเองว่าทำดีคนที่ทำไม่ดีเช่นประพฤติตนแกะกะระรานเป็นคนหัวขโมยเป็นต้น ก็เป็นคนชั่วขึ้นเพราะกรรมของตนกลรจะรู้จิตติหรือไม่ก็ตามตัวผู้ทําเองก็รู้สึกว่าตัวของตัวทําชั่วอาจจะป้ายความผิดให้ผู้อื่นด้วยการหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดแต่จะหลอกตัวเองไม่ได้ตัวเองย่อมรู้สึกสํานึกตัวเองอย่างเต็มที่ฉะนั้นเมื่อทําดีทําชั่วแล้วจึงปัดดีปัดชั่วออกไปให้พ้นตัวเองไม่ได้ เพราะรู้สึกตัวเองอยู่ทางจิตใจของตนใครจะแย่งดีไปจะใส่ชั่วให้ก็ไม่ได้นอกจากจะหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดเท่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริงสรุปความว่าเมื่อคิดพิสูจน์ด้วยสามัญสำนึกตามเหตุผลอย่างง่ายๆในเรื่องความดีความชั่วทั่วๆไปที่มีอยู่เฉพาะหน้า ก็จะเห็นได้แล้วว่า 1. กรรมมีคือมีความดีความชั่วในการทำของทุกๆคน 2. กรรมวิบากมีคือมีผลดีของความดีมีผลชั่วของความชั่ว 3. กรรมเป็นของผู้ทาคือใครทำกรรมอย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้น เมื่อกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้วเมื่อเป็นกรรมของเราเองยิ่งพิสูจน์ได้ง่ายคือนำเข้าพิสูจน์ในห้องใจของเราเองเพราะเรารู้ตัวเราเองดีแต่ข้อสำคัญเราต้องมียุติธรรมคือไม่ลาเอียงเหมือนอย่างการพิสูจน์วัตถุหรือสสารในห้องวิทยาศาสตร์เครื่องพิสูจน์ต้องใช้ได้หรือการพิสูจน์ความผิดในโรงศารโรงศารก็ต้องสถิตยุติธรรม คำเก่าๆมีกล่าวว่าถึงคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นเดี๋ยวนี้อาจเห็นว่าพ้นสมัยแต่ถ้ารู้จักคิดคำนี้ก็ยังใช้ได้คือเทวดาในดวงใจของเราเองหมายความว่าความมีหิริคือละอายใจและอดตับปะกคือเกรงบาปซึ่งท่านเรียกว่าเทวธรรมคือธรรมะของเทวดาหรือธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดา ใจที่มีละอายมีเกรงบาปคือความชั่วช้าต่างต่างนี่แหละคือเทวดาแต่ใจกระด้างด้านหยาบช้าแข็งกร้าวชั่วร้ายอาจมองไม่เห็นภาษิตมอมีกล่าวว่าเมื่อกาจับที่ต้นหญ้าด้วยคิดว่าไม่มีใครเห็นถึงกระนั้นก็มีผู้เห็นถึงสองเป็นอย่างน้อยผู้เห็นทั้งสองในภาษิตมอ น, นี้คือใครขอให้คิดเอาเอง ถ้าคิดไม่เห็นก็ให้ส่องหน้าในกระจกก็จะเห็นผู้ที่เห็นกาแม้พระพุทธภาษิตก็มีกล่าวไว้ว่าชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีแก่ผู้ทําชั่วแนวคิดเรื่องกรรม ในมหาโพธิชาดกต่อหนึ่งเล่าว่าพระราชาแห่งรัฐหนึ่งมีอมสาธอยู่สี่คนเป็นผู้แสดงลัทธิต่างๆแก่พระราชาอมสาธคนที่หนึ่งแสดงลัทธิว่าผลทุกอย่างไม่มีเหตุอมสาธคนที่สองแสดงลัทธิว่าพระอิศวนหรือพระเป็นเจ้าสร้างอมสาธคนที่สามแสดงลัทธิว่าทุกๆอย่างเป็นเพราะบุพกรรมคือกรรมในปางก่อน อมบาดคนที่สี่แสดงลัทธิว่าขาดศูนย์ยังมีชีปะขาวอีกคนหนึ่งซึ่งพระราชาเคารพนับถือปรารถนาจะโต้วาทะากับอมบาดเหล่านั้นจึงไปขอหนังวานอนจากชาวบ้านมาตากทำให้หมดกลิ่นให้เรียบร้อยดีแล้วจึงนุ่งห่มหนังวานอนและใช้เป็นอย่างผ้าผ้าตบ่าเข้าไปในพระอุทยานพระราชาได้ทรงทราบได้เสด็จพร้อมกับอมาดทั้งสี่ ทอดพระเนตรเห็นท่านชีปะขาวกำลังนั่งสนใจอยู่กับหนังว่านอนจึงตรัสถามชีปะขาวก็ทูลตอบว่าว่านอนเนี่ยมีอุปการะแกอัตมามากช่วยนำน้ำมาให้บ้างกวาที่อยู่บ้างทำการปฏิบัติให้ต่างๆาอัตมาจะไปไหนก็ขึ้นหลังว่านอนนี้ไปแต่คราวหนึ่งอัตมาเกิดมีจิตใจสามจึงกินเนื้อของว่านอนนั้นนาหนังมาตากให้แห้ง ใช้นุ่งห่มตลอดถึงปูนั่งนอนเพราะคิดถึงบุญคุณว่ามีอุปการะแก่ตมามากฝ่ายอมมาทั้งสี่ได้ยินดังนั้น mm. ก็พากันกล่าวเย้ยแยันว่าตาชีปะขาวเนี่ยเป็นคนอักตันยูทรยยต์ตอมิตรทำปานาติบาทฝ่ายชีปะขาจึงกล่าวโต้อมมาดคนที่หนึ่งซึ่งถือลัทธิทุกๆอย่างไม่มีเหตุว่าเมื่อผลทุกๆอย่างไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเองความชั่วอะไรๆจะมีได้อย่างไรเพราะว่าตามลัทธิของท่านย่อมไม่มีเหตุที่จะทำให้ใครๆในโลกเศร้ามองหรือบริสุทธิ์โลกนี้เป็นไปตามกติและภาวะของตนเองแปรปรวนวิวัฒนาการไปเองมีสุขมีทุกข์ไปเองจะทำอะไรก็ทำไปไม่จำเป็นต้องประสงค์จะทำดีหรือทำชั่วทำทำไปก็แล้วกันทำอะไรก็ทำได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีใครทำบาปหรือทำบุญอะไรเล่าฉะนั้นถ้าลัทธิของท่านเป็นจริงถึงว่าอัตมาจะฆ่าวานอนกินเนื้อเสียอัตมาก็ไม่มีโทษไม่มีบาปอมารคคนที่หนึ่งเมื่อถูกโต้เช่นนั้นก็นั่งนิ่งชีปะขาวจึงได้กล่าวโต้คนที่สองซึ่งถือลัทธิพระเป็นเจ้าว่าถ้าพระเป็นเจ้าสร้างชีวิตแก่โลกทั้งหมด เที่ยวจัดแจงให้คนนี้ทำกสิกรรมให้คนนั้นเลี้ยงโคเป็นต้นเป็นผู้สร้างความเจริญความเสื่อมความดีความชั่วทั้งปวงเป็นผู้บรรดาลสิ่งทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ใครทำบาปก็ทำเพราะพระผู้เป็นเจ้าสั่งให้ทำพระเป็นเจ้าจึงต้องรับบาสนั้นไปเองถึงอาตมาจะฆ่าลิงหรือใครจะทำบาอะไรอะไรก็ไม่ต้องรับบาปเพราะทาตามคาสั่งของพระเจ้าต่างหาก อมาศคนที่สองถูกโต้ดังกล่าวก็นิ่งไปชีประขาวจึงกล่าวโต้อมาศคนที่สามซึ่งถือลทัทธิกรรมในปางก่อนว่าถ้าใครๆพากันถึงสุขทุกเพราะกรรมในปางก่อนเป็นเหตุเท่านั้นแล้วใครๆที่ต้องได้รับทุกในบัดนี้เช่นถูกเข้าฆ่าถูกเข้าลักขโมยทรัพย์ถูกเข้าบิดเบียนต่างๆก็เพราะกรรมในปางก่อนของตนเอง เหมือนอย่างกู้นี้เข้ามาแล้วก็ใช้หนี้เข้าไปฉะนั้นถ้าลทัทธิของท่านเป็นจริงว่านอ น, นี้ก็คงเคยฆ่าอัตมามาแล้วในชาติปางก่อนเหมือนอย่างเป็นหนี้อัตมาอยู่มาชาตินี้อัตมาจึงฆ่าเสียบ้างลิงนี้จึงถูกฆ่าเป็นการชดใช้หนี้กรรมเก่าให้สิ้นไปอัตมาซึ่งเป็นผู้ฆ่าจึงเท่ากับเป็นผู้ช่วยลิงนี้ให้พ้นจากหนี้จึงไม่เป็นบาปอะไรกลับจะเป็นการช่วยไปเสียอีก และใครๆจะฆ่าหรือทำร้ายใครเมื่ออ้างว่าเป็นกรรมเก่าของเขาเขาก็ทำได้ทั้งนั้นและอาจอ้างเอาบุญคุณเสียอีกก็ได้ว่าช่วยฆ่าเขาเป็นการช่วยเปลืองหนี้กรรมให้แก่เขาอมาธคนที่สามถูกโต้เช่นนี้ก็นิ่งไปชีพะขาวจึงกล่าวโต้อมสาธคนที่สี่ซึ่งถือลัทธิขาดศูนย์ว่าถ้าใครๆขาดศูนย์เสียหมด คือตายศูนย์ไปเลยไม่ต้องเกิดอีกจะทำอะไรก็มุ่งประโยชน์เดี๋ยวนี้เท่านั้นแม้ว่าจะต้องทามาตุค่าปิดตุค่ดเพื่อประโยชน์ของตนก็ทำได้ไม่มีภายหน้าที่จะต้องรับผลฉะนั้นถ้าลทัทธิของท่านดังกล่าวเป็นจริงแม้ว่าอาตมาจะฆ่าวานอนก็ไม่มีบาปอะไรที่จะต้องไปรับตัวเราเองก็ขาดศูนย์บาปและสิ่งทั้งหลายก็ขาดศูนย์ไปเช่นกัน อมาตต์คนที่สี่เมื่อถูกโต้ดังนั้นจึงเงียบไปชีปะขาวที่ท่านกล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์จึงถวายโอวาทพระราชามีให้เชื่อถือลัทธิของอมาตต์ทั้งสี่เหล่านั้นและให้ทรงประพฤติ ธ, ธรรมปกครองแว่นแขวนโดยธรรมเรื่องในชาดกที่เล่ามานี้แสดงว่าแม้ผู้ที่ถือลัทธิว่าไม่มีความดีความชั่ว ก็ยังมีสามัญสำนึกอยู่ในความดีความชั่วซึ่งเป็นหลักความจริงจึงได้กล่าวตำหนิชีปะขาวโพธิสัตว์ไปโดยไม่ทันนึกถึงลทัทธิของตนที่ถืออยู่ฉะนั้นเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เป็นไปโดยธรรมดาสามัญพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาความจริงนี้แหละมาสั่งสอนไม่ได้ทรงแต่งเรื่องของกรรมขึ้นเอง ทั้งมิได้ส่งยักย้ายเปลี่ยนแปลงบิดพันไปจากความจริงส่งชี้แจงแสดงเปิดเผยไปตามหลักความจริงเท่านั้นข้อที่กล่าวย้ำอีกก็คือมักจะเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องอดีตคือล่วงมาแล้วในปัจจุบันเรามักมีหน้าที่ปล่อยตนให้เป็นไปตามกรรมที่เรียกว่ายถากรรมเท่านั้นจึงไม่คิดจะทําอะไร ถ้าเห็นดังนี้เป็นความเห็นผิดดังลัทธิของอธมาตที่ถือว่าอะไรๆเกิดเพราะกรรมปางก่อนดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมิให้เชื่อลัทธินี้ถือว่าเป็นลัท ธ, ธิภายนอกพระพุทธศาสนาและตรัสยกเวทนาสุขทุกข์กที่ทุกๆคนได้รับอยู่เป็นตัวอย่างว่าเกิดเพราะโรคต่างๆในปัจจุบันก็มีเกิดเพราะกรรมเก่าก็มีฉะนั้น เมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องเยียวยาและต้องป้องกันรักษาตัวไม่ให้เกิดโรคในด้านความประพฤติต่างต่างก็เช่นเดียวกันให้ละกรรมที่ทำชั่วทำกรรมที่ดีกรรมปัจจุบันนี่แหละเป็นข้อสำคัญแห่งชีวิตของทุกๆคนคือการที่เราทำอยู่เดียวนี้ถ้อยคำที่เราพูดอยู่เดียวนี้เรื่องที่เราคิดอยู่เดียวนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยตรวจดูให้ตัวเราเองทำพูดคิด แต่ในทางที่ถูกก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนเดียวเท่านั้นอย่าเอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็นเครื่องตัดรอนคุณประโยชน์มาทำให้นอนรอโชคลาบดังมีเรื่องเล่าเป็นคดีไว้ว่ามีชายสองคนไปหาหมอดูหมอทำนายทายคนหนึ่งว่าจะได้สเวตชัติทำนายอีกคนหนึ่งว่าจะลำบากชายคนที่ได้รับทำนายจะได้สเสวตชัติก็ดีใจ นั่งนอนรอไม่ทำมาหากินอะไรในที่สุดก็สิ้นทรัพย์สมบัติไปนอนเจ็บอยู่อย่างอนาถที่ป่ากลางทุ่งมีพระทุดงเดินผ่านมาพบเข้ามีจิตสงสารจึงเอากรดไปปักให้ชายผู้นั้นก็สิ้นใจในกรดของพระธุดงก็ได้สเสวิตาชัดเหมือนกันเพราะคำว่าสเสวิตาชัดแปลว่าร่มขาวกรดของพระธุดงก็เป็นร่มขาวชนิดหนึ่ง ส่วนชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับคำทํานายว่าจะลำบากเกิดความกลัวลำบากจึงตั้งหน้าขวนขวายภาคเพียรธรรมาหากินเก็บออมทรัพย์สินอยู่เรื่อยๆมาจึงมีหลักฐานเป็นสุขสบายขึ้นโดยลำดับแต่ก็ลำบากมาก่อนเป็นอันมากเรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่าหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือทำกรรมปัจจุบันนี่แหละให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปแล เพราะเหตุไรจึงไม่เชื่อเรื่องกรรมในจิตใจที่มีสามัญสำนึกของทุกๆคนย่อมมีความรู้สึกว่ามีความดีความชั่วมีผลของความดีความชั่วและผู้ทานั่นเองเป็นผู้มีความดีความชั่วติดตัวอยู่เพราะใครทำกรรมอันใดกรรมนั้นย่อมจารึกอยู่ในจิตใจและผู้ทานั่นเองต้องเป็นผู้รับ ผลคือรับผิดชอบต่อการกระทําของตนความพิศดาในเรื่องนี้ได้แสดงแล้วแต่การที่คนไม่น้อยยังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปในกรรมตามหลักที่กล่าวซึ่งรวบรัดโดยย่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว <c oughs> ก็เพราะเหตุสองประการคือหนึ่งความลำเอียงเข้ากับตนเองหรือถือเอาแต่ใจตนและสอง ไม่เห็นผลสนองที่สะสมทันตาทันใจความลำเอียงเข้ากับตนเองนั้นคือมุ่งประโยชน์ตนหรือมุ่งจะได้เพื่อตอนเท่านั้นไม่ำํำนึงถึงความเสียหายทุกยากของผู้อื่นดังเช่นเมื่อโกรธขึ้นมาก็ทำร้ายเขาเมื่ออยากได้ขึ้นมาก็ลักของเขาเมื่อทำได้สำเร็จดังนี้ก็มีความยินดีและอาจเข้าใจว่าทาดีแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตัวเรามาลักของเราถ้าใครมาทำเขา้าเราก็ต้องว่าเขาไม่ดีถึงเราจะไปยั่วให้เขาโกรธเมื่อเขาโกรธขึ้นมาทำร้ายร่างกายของเราก็ยังว่าเขาไม่ดีอยู่นั่นเองการกระทําอย่างเดียวกันจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างไรได้เหมือนอย่างการทำร้ายร่างกายการลักทรัพย์เมื่อเราทำแกเขาได้ก็เป็นดีแต่ถ้าเขาทาแกเราเป็นไม่ดีจะเป็นดังนี้ หาถูกต้องไหมเพราะเป็นการที่เราพูดเอาเองอย่างไม่ยุติธรรมแต่การลำเอียงเข้ากับตนเองข้อนี้แหละเป็นเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่วเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตนถึงจะมีกรรมศรัทธาอยู่อย่างผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่วๆไปก็ตามเมื่อความมุ่งจะได้คือโลภะ ความโกรธแค้นขัดเคืองคือโทสะความหลงผิดคือโมหะมีกําลังแรงกล้ากว่ากําลังศรัทธาคนก็ประกอบกรรมที่ชั่วได้สุดแต่ใจที่อยากได้ที่โกรธที่หลงจะฉุดชักนำไปที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกสำนึกในความดีชั่วก็มีความรู้สึกสำนึกรู้เหมือนกันแต่ไม่มีกาลังใจในฝ่ายสูงที่จะห้ามกาลังใจในฝ่ายต่า จึงยับยั้งตนเองไว้ไม่ได้มีคนเป็นอันมากเมื่อทำไปแล้วเกิดเสียใจในภายหลังดังเช่นเมื่อทำอะไรลงไปในขณะที่อยากได้หรือรักชอบอย่างจัดในขณะที่โกรธจัดในขณะที่หลงจัดอย่างที่เรียกว่าหลงยังไม่ลืมหูลืมตาหรือในขณะที่กำลังเมาสุราอันเรียกได้ว่าหลงเหมือนกัน ครั้นเมื่อสั่งรักสั่งชังสั่งหลงสั่งเมาแล้วก็กลับเสียใจในกรรมที่ตนได้ประกอบแล้วในขณะที่ใจวิปริตเช่นนั้นบางทีทำให้เป็นรอยแผลเจ้าเลกอยู่ในจิตใจคอยสะกดใจให้เจ็บช้ำเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานานและทำให้เกิดความเกลียดตนเองหรือรังเกียจตนเองจนถึงต้องหลบหน้าเพื่อนฝูงมิสหายไปก็มี แต่ถึงจะหลบหน้าคนอื่นเป็นส่วนมากได้แต่หลบตนเองไม่พ้นเมื่อเกิดความเกลียดหรือรังเกียจตนเองมากขึ้นจนไม่สามารถจะทนอยู่ในโลกได้ต้องพยายามทำลายตนเองไปก็มีฉะนั้นเมื่อเกิดแผลนในใจขึ้นก็มักเป็นชนิดที่โรคเรื้อรังที่รักษาหายยากสู้ป้องกันไม่ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้ทั้งนี้ด้วยวิธีปลูกกรรมศรัทธา คือความเชื่อกรรมนี่แหละให้ตั้งมั่นขึ้นในจิตใจให้มีเป็นกำลังใจจนพอที่จะเชื่อได้ว่าจะไม่ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดอะไรอะไรถ้ายัางคลางแคลงสงสัยไม่เชื่อใจตนเองว่าจะยับยั้งใจไว้ได้ก็ต้องเว้นจากสิ่งยั่วยุเย้าแย่ต่างๆฉะนั้นทางบิดามารดาหรือผู้ปกครองและทางโรงเรียนจึงได้คอยแนะนาสั่งสอนห้ามปราบ ไม่ให้อ่านหนังสือบางชนิดไม่ให้ดูภาพยนตร์บางชนิดที่เป็นเครื่องยุแย่ยั่วเยาให้ประพฤติผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีคำแนะนำห้าประการนั้นก็สมควรที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นการป้องกันตัวเราเองไว้ตั้งแต่เบื้องต้นท่านผู้ใหญ่ที่กรุณาให้คําแนะนําตักเตือนก็ดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนก็ดี ท่านก็ได้แต่เป็นเพียงผู้บอกกล่าวแนะนำส่วนความเชื่อฟังเป็นหน้าที่ของเราเองเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราถ้าใจของเราเกิดดื้อดึงขัดแย้งไม่เชื่อฟังเสียแล้วคําแนะนำตักเตือนต่างๆก็ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยมากฉะนั้นจึงควรที่จะคอยตรวจดูใจของเราเองว่ามีความเชื่อฟังต่อคําแนะนาสั่งสอนอยู่เพียงไร มีความดื้อดึงขัดแย้งอยู่เพียงไรและคิดต่อไปว่าเพราะเหตุไรเมื่อมันคิดอยู่ดังนี้แล้วจะเห็นผลเทียบเคียงได้เองหรือถ้ายังไม่เห็นได้เองก็ต้องซักถามและท่านผู้แนะนําอบรมก็มักจะชี้แจงให้รู้ให้เข้าใจถ้าคิดตั้งใจฟังคําชี้แจงของท่านไม่ตั้งป้อมดื้อดึงเสียก่อนแล้วก็คงจะได้ความกระจ่างในคําแนะนําของท่าน และจะได้ความทราบซึ้งในเมตตากรุณาของท่านการหัดมีความเชื่อฟังอย่างมีเหตุมีผลนี้เป็นวิธีแก้ความลำเอียงเข้ากับตนเองที่เป็นเหตุให้ทําอะไรตามใจตนเองโดยส่วนเดียวผู้ใหญ่ที่ดีจึงไม่ต้องตามใจเด็กในทางที่ผิดคอยแนะนําห้ามปรามหรือแม้ต้องปราบเอาบ้างตามสมควรเป็นการหัดไม่ให้ลำเอียงเข้ากับตนเอง หรือถือเอาแต่ใจตนเองมาตั้งแต่อ่อนเข้าในคำที่ว่าดัดไม้ตั้งแต่อ่อนเพราะดัดเมื่อแก่นั้นเป็นการดัดยากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการสั่งสอนให้เป็นคนรู้ผิดรู้ถูกอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกๆวันทำให้รู้จักเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่ามีถูกมีผิดมีเหตุผลซึ่งเมื่อเป็นความผิดแล้วตัวเราเองทาก็ผิด คนอื่นทําก็ผิดเมื่อเป็นความถูกแล้วตัวเราเองทําก็ถูกคนอื่นทําก็ถูกข้อนี้แหละเป็นกรรมศรัทธาที่ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝังให้แก่เด็กมาตั้งแต่ต้นและผู้ใหญ่ก็ควรเว้นจากการกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่งามให้เด็กเห็นและอ้างได้ว่าทําไมผู้ใหญ่ทําได้เช่นห้ามไม่ให้เด็กเล่นการพนันเที่ยวเตรแต่ผู้ใหญ่เล่นการพนันเที่ยวเตร ห้ามไม่ให้เด็กทะเลาะวิวาทกันแต่ผู้ใหญ่เมาสุราทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้เป็นต้นเมื่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ดีก็ทำให้เด็กอยากเอาอย่างทำให้น้ำหนักในคำอบรมห้ามปรามน้อยลงไปจนเกือบจะไม่มีความหมายอะไรและจะเข้าทํานองที่ว่าจงทําตามคำที่ฉันพูดแต่อย่าประพฤติอย่างที่ฉันทำ เหตุผลข้อที่สองที่คนไม่เชื่อเรื่องกรรมคือไม่เห็นผลสนองที่สะสมทันตาทันใจโดยมากต้องการเห็นผลของกรรมเกิดสนองให้เห็นอย่างสะสมทันตาทันใจเช่นเมื่อทำกรรมดีก็อยากเห็นกรรมดีให้ผลเป็นรางวัลอย่างมากมายทันตาทันใจเมื่อเห็นหรือทราบว่าใครทำกรรมชั่วและไม่เห็นว่าเขาเสื่อมเสียอย่างไรหรือกลับเจริญรุ่งเรือง ก็สงสัยว่าทำชั่วไม่ได้ชั่วจริงกระมังอันที่จริงทำดีต้องให้ผลดีกรรมชั่วต้องให้ผลชั่วตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ยังไม่ผิดโดยแน่นอนและผลที่สนองนั้นจะเรียกว่าเป็นผลที่สะสมก็ได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นตัวอย่างในพระสูตรหนึ่งว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน สัตว์ทั้งหลายหมายถึงทั้งคนทั้งเดรัจฉานเป็นต้นที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกทั้งหมดคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้มีอายุสั้นการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้มีอายุยืนการเบียดเบียนเข้าให้ลำบากทำให้มีโรคมากการไม่เบียดเบียนเข้าให้ลำบากทำให้มีโรคน้อยความมักโกรธอุ่นหันรึ่งเครียดขับแคนขัดเคืองกระเงากระ ง, งอด ทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองไม่งดงามความไม่มักโกรธเครียดแค้นทำให้ผิวพรรณผ่องใสงดงามความมักริษยาผู้อื่นทำให้มีสักต่ำต้อยน้อยหน้าความไม่ริษยาทำให้มีสักสูงใหญ่ความไม่เผื่อแผ่เจือจานทำให้มีโภกสมบัติน้อยความเผื่อแผ่เจือจานทำให้มีโภกสมบัติมาก ความแข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านทำให้เกิดในสกุลต่ำความไม่แข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านมีความอ่อนน้อมคารวะนับถือผู้ที่ควรอ่อนน้อมนับถือทำให้เกิดในสกุลสูงความไม่เข้าหานักปราศหรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามทำให้มีปัญญาสามการเข้าหานักปราศหรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามทาให้มีปัญญามาก ผลที่สะสมกันของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตัวอย่างดังกล่าวมานี้เป็นผลของกรรมเก่าคือกรรมที่ทำไว้แล้วในอดีตการส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้ท่านแสดงว่าจะให้ผลในชาติปัจจุบันเหมือนอย่างในวันนี้ในเดือนนี้ในปีนี้ก็มีจะให้ผลในชาติหน้าเหมือนอย่างในพรุ่งนี้ในเดือนหน้าในปีหน้าก็มี จะให้ผลในชาติต่อไปเหมือนอย่างในวันมะรืนนี้หรือเดือนโน้นในปีโน้นเป็นต้นก็มีฉะนั้นการให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวแก่การเวลาเป็นสาคัญการกระทำทุกๆอย่างที่ให้ผลนั้นต้องเกี่ยวแก่การเวลาทั้งนั้นเช่นการปลูกต้นไม้มีผลก็มีใช่ว่าต้นไม้นั้นจะให้ผลทันทีต้องรอจนต้นไม้เจริญเติบโตและถึงฤดูการให้ผล จึงจะให้ผลตามชนิดการเรียนหนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนให้สอบไล่ได้ภายในวันเดียวต้องเรียนเรื่อยไปจนถึงกำหนดสอบไล่จึงเข้าสอบไล่บางทีต้องเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเมละความพยายามก็อาจจะสอบไล่ได้การทำการค้าประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆรับราชการหรือการประกอบอาชีพทุกอย่างก็เหมือนกัน จะได้รับผลก็อาศัยการเวลาทั้งนั้นล่าผลที่ได้รับนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรจะรวดเร็วหรือช้าอย่างไรก็สุดแต่สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องการให้ผลของกรรมแม้ในเรื่องกรรมให้ผล ท่านก็แสดงว่าเกี่ยวแก่สถานการณ์สี่อย่างคือหนึ่งคติสองอัตภาพสกาลสมัยและสการประกอบกรรมประการที่หนึ่งคติคือที่ไปแสดงในปัจจุบันคือไปทุกทกแห่งจะไปเที่ยวไปพักอาศัยชั่วคราวหรือไปอยู่ประจำการก็ตามคนที่ทำดีมาแล้ว ถ้าไปในที่ที่ไม่ดีความดีที่ทำไว้ก็อาจจะยังไม่ให้ผลเหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนมัธยมหกมาแล้วจากต่างจังหวัดเรียกว่าทำความดีมาแล้วถึงชั้นนั้นและเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพแต่อยู่ในหอพักที่ไม่ดีเมื่อควรจะไปโรงเรียนก็ไม่ไปแต่ไปทะเลทรายเสียที่อื่นอย่างนี้เรียกว่ามีคติที่ไปไม่ดีความดีเท่าที่ทาไว้คือที่เรียนมาจนจบมัธยมหก ในต่างจังหวัดก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญวิทยาฐานะขึ้นต่อไปส่วนนักเรียนที่เรียนมาไม่สู้ดีไม่จบถึงชั้นไหนแต่เกิดความตั้งใจดีไปพักอาศัยอยู่ในที่ดีและไปเรียนกวดวิชาอย่างจริงจังก็อาจจะสอบขึ้นชั้นสูงได้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะเรื่องเท่านั้นเมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้วคนที่มีกรรมเก่าไม่ดี แต่ว่ามีคติใหม่ดีอย่างที่เรียกว่ากลับตนดำเนินทางใหม่คือเว้นจากทางไม่ดีเก่าๆที่เคยดำเนินมามาเปลี่ยนดำเนินทางใหม่ที่ดีอันตรงกันข้ามกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วแต่ก่อนก็อาจยังไม่ให้ผลได้ในคำว่ามืดมาสว่างไปถ้าทางเก่าก็ไม่ดีทางใหม่ก็ไม่ดีได้ในคำว่ามืดมามืดไป ก็เป็นอันเอาดี D. ไม่ได้เลยส่วนคนที่ทำความดีมาแล้วเรียกว่าเดินทางถูกแล้วแต่ต่อมากลับไปเดินทางผิดกรรมดีที่ทำไว้แล้วก็อาจยังให้ผลไม่ได้ได้ในคำว่าสว่างมามืดไปฝ่ายคนที่มาดีคือเดินทางมาถูกแล้วและก็เดินทางถูกต่อไป เป็นอันว่าความดีที่ทำไว้สนับสนุนให้ดีอีกต่อไปไม่ขาดสายได้ในคําว่าสว่างมาสว่างไปฉะนั้นคติที่ไปหรือการไปคือทางที่ทุกๆคนดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี่แหละสำคัญมากในส่วนที่ล่วงมาแล้วจะผิดหรือถูกเราก็ได้ดำเนินมาแล้วฉะนั้น ให้ถือว่าเป็นอันแล้วไปหรือให้ถือเป็นบทเรียนถ้าเดินทางดีมาแล้วก็จงเดินทางดีนั้นต่อไปถ้าทางที่เดินมาแล้วไม่ดีก็เปลี่ยนทางใหม่เลือกเดินไปในทางที่ดีนับว่าเป็นผู้ที่กลับตัวได้เข้าในคําว่ามืดมาสว่างไปพระพุทธเจ้าโปรดปรานบุคคลเช่นนี้ดังเช่นองคุลีมานโจรเป็นตัวอย่าง เพราะทุกๆคนย่อมผิดพลาดมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างยิ่งผ่านชีวิตมามากยิ่งมีโอกาสผิดพลาดได้มากจนถึงมีคำพังเพยว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ข้อสำคัญจึงอยู่ที่เมื่อทำผิดไปแล้วก็ให้รู้ตัวว่าทำผิดและตั้งใจไม่ให้ทำผิดอีกเป็นอันนำตัวให้เข้าทางที่ถูกนั่นแหละคือคติที่ดีของชีวิตปัจจุบัน การให้ผลของกรรมประการที่สองอัตภาพหมายถึงความมีร่างกายสมบูรณ์ประกอบด้วยพลันนมัยสามารถทำสิ่งที่ควรทำได้ตามต้องการพลันนมัยของร่างกายนี้เป็นสิ่งสำคัญความดีจะให้ผลเต็มที่ต่อเมื่อร่างกายสมบูรณ์ด้วยเช่นเรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นไดชั้นหนึ่งนับว่าได้ความดีมาจะเรียนต่อไปไดจนสาเร็จ ก็ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ที่สามารถจะเรียนต่อไปได้ถ้าป่วยเป็นโรคกระสอบกระแสะการเรียนต่อก็ขัดข้องไม่สะดวกหรือคนที่กำลังทำงานถ้าล้มป่วยลงความเจริญก็ชะงักในทางตรงกันข้ามคนที่เคยประพฤติผิดพลาดเหลวไหลมาแล้วแต่ต่อมาได้คติของชีวิตที่ดีดังกล่าวแล้วในคติก็อาจจะประกอบกรรมที่ดีสืบต่อไปได้ ความเหลวไหลที่แล้วมาก็อาจยังไม่มีโอกาสให้ผลความมีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกอย่างเพราะเครื่องบันทอนต่างๆนั้นมีเป็นอันมากกล่าวโดวยเฉพาะในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่างๆในที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกรดอรอบร่างกายมากมายหลายชนิดเมื่อร่างกายมีกาลังต้านทานเชื้อโรคเพียงพอก็ไม่เกิดอาการเจ็บป่วย ร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใดเชื้อโรคก็ได้ช่องเมื่อนั้นชั้นใดก็ดีกรรมดีกรรมชั่วต่างๆที่บุคคลทำไว้ในปางหลังก็มีมากมายถ้าเราตั้งตัวไว้ดีกรรมชั่วก็อาจไม่มีโอกาสให้ผลกรรมดีมีโอกาสส่งเสริมแต่เมื่อเพลี้ยงพล้ำลงเมื่อใดกรรมชั่วก็มีโอกาสให้ซ้าเติมเมื่อนั้น การให้ผลของกรรมประการที่สากาลสมัยหมายถึงว่าในการลสมัยที่สมบูรณ์มีผู้ปกครองดีมีหมู่ชนที่ดีกรรมดีก็มีโอกาสให้ผลได้มากกรรมชั่วก็อาจสงบผลอยู่ก่อนเพราะในการลสมัยเช่นนี้จะพากันยกย่องอุดหนุนคนดีไม่สนับสนุนคนชั่วทำให้คนดีมีโอกาสปรากฏตัวประกอบกรรมที่ดี อำนวยให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่งขึ้นแต่ในการละสมัยที่บกพร่องมีผู้ปกครองไม่ดีมีหมู่ชนไม่ดีกรรมดีที่ตนทำไว้ก็ไม่มีโอกาสให้ผลกรรมชั่วกลับมีโอกาสให้ผลเพราะเป็นการละสมัยที่กดคนดียกย่องคนชั่วนับว่าเป็นการลวิบัติอีกอย่างหนึ่ง ในการะสมัยที่มีการกดขี่เบียดเบียนกันจนถึงทำสงครามกันดังเช่นสงครามโลกที่เล่าแล้วมาคนในโลกได้รับภัยสงครามกันเป็นอันมากนี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่กรรชั่วซึ่งต่างได้กระทำไว้ในอดีตให้ผลทำให้ประสบภัยต่างๆตลอดถึงความทุกข์ยากขาดแคลนกันทั่วๆไปแต่ในการรสมัยที่มีความสงบเรียบร้อยก็เป็นไปตรงกันข้าม ต่างไปเล่นเรียนศึกษาประกอบการงานกันตามปกติการให้ผลของกรรมประการที่4การประกอบกรรมหมายถึงการประกอบกระทำในปัจจุบันถ้าประกอบกระทำกรรมที่ดีที่ชอบอยู่ในปัจจุบันกรรมชั่วที่ทําไว้ในอดีตก็อาจยังระงับผล หรือแม้กำลังให้ผลอยู่แล้วก็อาจเบาลงดังเช่นผู้ที่ต้องถูกกักขังจองจําเมื่อประพฤติตัวดีก็ยอมได้รับผ่อนผันและลดเวลากักขังจองจํานั้นให้น้อยเข้าถ้ากรรมเก่าดีอยู่แล้วก็ยิ่งจะส่งเสริมเหมือนอย่างนักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมาแล้วและตั้งใจเรียนดีอยู่ในปัจจุบันก็ช่วยกันให้เรียนดียิ่งขึ้นแต่ถ้าในปัจจุบันนี้ประกอบกรรมที่ชั่วเสียหาย ก็จะตัดผลของกรรมดีที่เคยทำมาแล้วด้วยเหมือนอย่างข้าราชการที่ทำงานมาด้วยสุจริตแล้วแต่มาทำทุจริต ใ, ในหน้าที่ขึ้นก็อาจตัดผลของความดีที่ทำมาแล้วในเมื่อการทำทุจริตในหน้าที่นั้นปรากฏขึ้นการให้ผลของกรรมย่อมเกี่ยวแก่การเวลาประกอบกับสถานการณ์ทั้งสี่ดังกล่าวมานี้ ท่านเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่งรับราชการได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแห่งหนึ่งแต่บุรุษผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไปคมขู่ถือเอาทรัพย์ต่างๆของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพละการแต่ก็ยังไม่มีใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าวเพราะกลัวอำนาจบุรุษผู้นั้นกำเริบยิ่งขึ้นถึงกับไปผิดในบุคคลที่เป็นใหญ่กว่าตน มีอำนาจยิ่งกว่าตนจึงถูกจับไปเข้าเรือนจำและประกาศให้ประชาชนที่ถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษจึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อยตั้งพันบุรุษนั้นจึงถูกลงโทษไปตามความผิดเรื่องนี้เพึงเห็นความเปรียบเทียบดังนี้เวลาที่บุรุษนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกำลังรุ่งเรืองก็เท่ากับเวลาตั้งอยู่ในคติคือตำแหน่งมีอำนาจ ประกอบด้วยมีฐานะของตนสูงทำอะไรได้ตามต้องการอยู่ในสมัยที่ตนมีอำนาจทั้งอยู่ในหน้าที่เป็นโอกาสให้ประกอบกระทำอะไรได้อกุศลกรรมจึงไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อเมื่อถูกจับเข้าเรือนจำเสียงร้องทุกกล่าวโทษเกิดขึ้นตั้งร้อยตั้งพันเรื่องก็เท่ากับถึงการละวิบัติของตน สถานการณ์ต่างๆดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลงเข้าในคำว่าน้ำลดต่อผุดอกุศลกรรมที่ตนทำไว้จึงมีโอกาสให้ผลรวมความว่าทุกๆคนทำกรรมใดๆ ไ, ไว้กรรมนั้นๆย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้างในภายหน้าบ้างในเวลาต่อๆไปบ้างตามแต่กรรมนั้นๆจะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆมีก้อนหินก้อนดินกิ่งไม้ใบหญ้าเป็นต้นลงมาของที่มีน้ำหนักมากย่ำตกลงสู่พื้นดินก่อนส่วนของที่มีน้ำหนักน้อยกว่าก็ตกถึงพื้นดินภายหลังโดยลำดับกรรมก็ฉันนั้นกรรมที่หนักให้ผลก่อนส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบากว่าก็ให้ผลตามหลัง การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวกับการเวลาประกอบกับสถานการณ์สี่อย่างคือหนึ่งคติ 2. อัตภาพ 3. กาลสมัยและสการประกอบกรรมในปัจจุบันแต่กรรมย่อมให้ผลแน่นอนตามพระพุทธภาษิตว่ากัลยาณนาการีกัลยานังทำดีได้ดีปาปะการีจะปาปะกัง ทำชั่วได้ชั่วกรมเวนฝากไว้ก่อนเถอะรอให้ถึงทีเราบ้างนายขอคิดผูกใจเมื่อถูกนายกอข่มเหงขันเองร้ายต่อมาเมื่อนายขอได้โอกาสทำร้ายนายกอตอบแทนนายกอก็ทำร้ายนายขอตอบเข้าอีก แล้วต่างก็ทำร้ายตอบกันไปตอบกันมาตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าเวนบางรายผูกเวนกันไปชั่วลูกชั่วหลานบางรายผู้ใหญ่ผูกเวนกันแล้วยังห้ามไม่ให้บุตรหลานของตนผูกมิตรกันอีกด้วยถือว่าไปผูกมิตรกับลูกหลานศัตรูมิใช่แต่ต้องร้ายแรงจึงเรียกว่าเวนถึงรายย่อยๆดังการตอบโต้กันในวงดาวงชกต่อย ก็เรียกว่าเวรเช่นในกอด่าในขอโชกต่อยในขอก่อนในขอก็ด่าตอบชกต่อยตอบแล้วต่างก็ดา่าและต่างก็ชกต่อยกันอุตลุดบางทีวงวิวาทขยายออกไปคือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี่ยพล้ำก็ไปบอกพักพวกร่วมคณะร่วมโรงเรียนให้พลอยโกรธและยกพวกไปชกต่อยต่อสู้กันขยายเวรออกไปบางรายเด็กทะเลาะ ก, กันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้ากับเด็กที่เป็นบุตรหลานของตนก็ออกต่อว่าต่อปากต่อคำวิวาทกันเวนวงเล็กก็ขยายออกเป็นเวนวงใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทะเลาะวิวาทกันสายใหญ่หญมิใช่น้อยที่เกิดจากมูลเหตุที่เล็กนิดเดียวดังนี้ทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวทําให้เกิดสงครามกลางเมือง วงเวรในระหว่างบุคคลที่เกิดความเสียหายในวงแคบส่วนวงเวรในระหว่างหมู่คณะให้เกิดความเสียหายในวงกว้างออกไปยิ่งวงเวรในระหว่างประเทศชาติในระหว่างค่ายของชาติทั้งหลายยิ่งให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางตลอดจนถึงทั้งโลกเหล่านี้เป็นเรื่องของเวรทั้งนั้นฉะนั้นจึงควรทาความเข้าใจควบคู่กันไปกับเรื่องกรรม เวนคือความเป็นศัตรูกันของบุคคลสองคนคือสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้นตอบแทนเวนจึงประกอบด้วยบุคคลสองคนหรือสองฝ่ายคือผู้ก่อความเสียหายหนึ่งผู้รับความเสียหายหนึ่งบุคคลที่สองนี้ผูกใจเจ็บแค้น จึงเกิดความเป็นศัตรู ก, กันขึ้นนี่แหละคือเวนเวนเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่สองคือผู้รับความเสียหายพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าชนเหล่าใดผูกอยู่ว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักของเราเวนของชนเหล่านั้นไม่สงบดังนี้ ทั้งนี้เพราะลำพังบุคคลที่หนึ่งฝ่ายเดียวก็ยังไม่เป็นเวรโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อบุคคลที่สองผูกใจเจ็บไว้จึงเกิดเป็นเวรโดยสมบูรณ์แต่ถ้าบุคคลที่สองนั้นไม่ผูกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความเกิดเป็นเวรขึ้นจึงเพราะบุคคลที่สองเป็นสาคัญเห็นอย่าง ง, าง่ายในเรื่องเวรสามัญ เมื่อมีใครมาทำความล่วงเกินอะไรเล็กๆน้อยน้อยต่อเราเมื่อเราไม่ผูกอาคาตเขาแล้วเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรูกันคือไม่เกิดเป็นเวรกันนั่นเองมันอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียงเวรระ ง, งับเพราะบุคคลที่สองไม่ผูกอาคาตดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยความว่าส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกอยู่ว่า คนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักของของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเวรไม่ระงับด้วยเวรในการไหนๆเลยแต่ย่อมระงับลงด้วยความไม่ผูกเวรดังนี้น่าคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่สองเป็นผู้ที่นาติมากกว่าบุคคลที่หนึ่งเพราะทำให้เป็นเวรขึ้น ในเรื่องเวรเป็นความจริงอย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างเป็นความกันในโรงศาลเมื่อมีใครเป็นโจดฟ้องใครเป็นจำเลยขึ้นจึงเกิดเป็นความคดีถึงที่สุดหรือโจดถอนฟ้องเสือมดใดความก็ระงับเมื่อ น, นั้นแต่ถ้าจำเลยไม่เป็นตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจดเมื่อกล่าวโดยปกติไม่ใช่แกล้งกันแล้วโจดก็คงไม่ฟ้อง ฉันได้ก็ดีบุคคลที่หนึ่งนั่นเองเป็นมูลเหตุของเวรเพราะเป็นตัวก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อนเวนเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่หนึ่งซึ่งทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่สองและเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่สองซึ่งทำตอบด้วยดังเช่นในกอค้าในขอลักทรัพย์ของในขอในขอจึงผูกใจอาฆาต เกิดเป็นเวรกันขึ้นนี้ก็เป็นเพราะกรรมของนายกอนั่นเองซึ่งทำแก่นายขอและนายขอก็ผูกใจตอบฉะนั้นเวรจึงเกี่ยวแก่กรรมของบุคคลนั่นเองที่ยังให้เกิดความเสียหายเจ็บแค้นแก่คนอื่นกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละเวนในศีลห้าคือการฆ่าสัตว์หนึ่งการลักทรัพย์หนึ่ง การประพฤติผิดประเพณีในทางกามหนึ่งการพูดเท็จหนึ่งการดื่มน้ำเมาหนึ่งเรียกว่าเวรห้าหรือภัยห้าอย่างเพราะเป็นกรรมที่ก่อเวรก่อภัยทั้งนั้นเช่นการฆ่าสัตว์ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่งผู้ถูกฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่เวรคู่ภัยกันการลักทรัพย์ก็มีผู้ลักฝ่ายหนึ่งผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่เวรคู่ภัยกัน ดังนี้เป็นตัวอย่างกล่าวโดยรวบรัดเวรเกิดจากกรรมที่ก่อความเสียหายให้แก่ใครนั่นเองผลของกรรมได้แสดงแล้วว่าผลดีต่างๆเกิดเพราะกรรมดีผลชั่วต่างๆเกิดเพราะกรรมชั่วส่วนผลของเวรคือความทุกข์ที่บุคคลสองฝ่ายผู้เป็นศัตรูคู่เวรก่อให้แก่กันกรรมเมื่อให้ผลแล้วก็หมดไป เหมือนอย่างผู้ต้องโทษครบกำหนดแล้วก็พ้นโทษส่วนเวนเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นยังผูกใจเป็นศัตรูกันอยู่ตราบใดก็ยังไม่ระ ง, งับตราบนั้นแต่เมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายเลิกเป็นศัตรูกันเมื่อใดเวนก็ระ ง, งับเมื่อนั้นฉะนั้นเวนจึงอาจยาวก็ได้สั้นก็ได้สุดแต่บุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สัตว์บางชนิดพบกันเข้าไม่ได้เป็นต้องทำร้ายกันเช่นกากับนกเขาบัณดิตผู้ฉลาดในการสอนยกเป็นตัวอย่างของเวรที่ผูกกันยืดยาวไม่รู้จบเหมือนกับผูกกันมาตั้งแต่ปฐมกันและผูกกันไปไม่สิ้นสุดในหมู่มนุษย์ยบางชาติบางเหล่าก็คล้ายๆกันอย่างนั้นนิทานเรื่องระงับเวร ท่านเล่าเป็นเรื่องสอนให้ระ ง, งับเวรดังจะเล่าโดยย่อต่อไปมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วว่าพระเจ้าพระมทัครอบครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีในรัฐกาสีได้เสด็จกรีธาทัพไปย่ำยีพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลพระเจ้าทีขีติทรงประมาณกำลังเห็นว่าจะต่อสู้ไม่ได้จึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครปลอมพระองค์เป็นป ร, ริพาชก ค, คือชีปขาว ไปทรงอาศัยอยู่ในบ้านของนายช่างหม้อที่ชาญเมืองพารณสีซึ่งเป็นนครของราชสัตรูฝ่ายพระเจ้าพุทมทัตก็ทรงยกทัพเข้าครอบครอ ง, ครองแคว้นโกศนต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีตทิทรงพระคันเกิดอาการแพ้พระคันด้วยทรงอยากทอดพระเนตรกองทัพประกอบด้วยองค์สีกองช้างกองมา้ากองรถและกองราบในเวลาอาทิตย์ขึ้น และอยากจะทรงดื่มน้ำล้างพระขันจึงกราบทูลพระราชาสวามีพระเจ้าทีขีติพระราชสวามีได้ตรัสห้ามพระนามก็ตรัสยืนยันว่าถ้าไม่ท่งได้ก็จากสิ้นพระชนครั้งนั้นปราบปุโรหิตของพระเจ้าพรมทัตเป็นพระสหายของพระเจ้าทีขีติพระเจ้าทีคีติจึงเสด็จไปหาตรัสเล่าความให้ฟัง ฝ่ายพรามปุโรหิตก็ขอไปเฝ้าพระเทวีก่อนพระเจ้าทีขีติทรงนำไปยังบ้านที่พักอาศัยพรามปุโรหิตได้เห็นพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติเสด็จดำเนินมาแต่ไกลก็ยกมือพนมนอบน้อมไปทางพระนางเปล่งวาจาขึ้นว่าพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระคันแล้วกล่าวรับรองจะจัดการให้พระนางได้ทอยพระเนตรเห็นกองทัพทั้งสี่เหล่า และได้ดื่มน้ำล้างพระขันธ์พระามปุโรหิตจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพรมทัดกราบทูลว่าได้เห็นนิมิตบางอย่างขอให้ทรงจัดกองทัพสี่เหลา่าให้ยกออกตั้งขบวนในสนามเวลารุ่งอรุณวันพรุ่งนี้และให้ล้างพระขันธ์พระเจ้าพรมทัดทรงอำหน่วยตามพระมเหสีพระเจ้าทีคีติจึงได้้อยพระเนตรกองทัพและได้ทรงดื่มน้ำล้างพระขันธ์ สมอาการที่ทรงแพ้พระคันต่อมาได้ประสูตรพระโอรสตั้งพระนามว่าทีขาวุเมื่อถีขาวุกุมารเติบโตขึ้นพระเจ้าทีกิติทรงส่งออกไปให้ศึกษาศิลปศาสตร์อยู่ภายนอกพระอาคารเพราะทรงเกรงว่าถ้าพระเจ้าปรุมัฏฐทรงทราบก็จะปลงพระชนเสียทั้งสามพระองค์ต่อมาในช่างกระบบคือช่างตัดผมของพระเจ้าทีกีติ ซึ่งมาอาศัยอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นพระเจ้าทีคีติที่ชาญพระนครก็จำได้จึงไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบ พ, พระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้จับพระเจ้าทีคีติพร้อมทั้งพระมเหสีมาแล้วรับสั่งให้พันธนาการให้โกนพระเศียรให้นาตรเวนไปตามถนนต่างๆทั่วพระนครแล้ให้นาออกไปภายนอกพระนคร ให้ตัดพระองค์เป็นสี่ท่อนทิ้งไว้สี่ทิศพวกเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชาในขณะที่เข้านำพระเจ้าทีคีติกับพระมเหสีตระเวนไปรอบพระนคร น, นั้นทีฆาวุกุมารได้ระลึกถึงพระราชมารดาบิดาจึงเข้ามาเพื่อจะเยี่ยมก็ได้เห็นพระราชมารดาบิดากำลังถูกพันธนาการเขากาลังนาตระเวนไปอยู่จึงตรงเข้าไปหา ฝ่ายพระเจ้าทีกีติทอดพระเนตรเห็นพระราชาโอรสกำลังมาแต่ไกลก็ตรัสขึ้นว่าพ่อทีคาวุเจ้าใหญ่เห็นยาวใหญ่เห็นสั้นพ่อทีคาวุเวรทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่ผูกเวรพอพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ยินพระดำรัสนั้นก็าพากันกล่าวว่าพระเจ้าทีคีติเสพระสติรับสั่งเพ้อไป พระเจ้าทีขีติก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้เสียสติผู้ที่เป็นวินยูจักเข้าใจแล้วได้ตรัสซ้ำๆความอย่างนั้นถึงสามครั้งเมื่อพวกเจ้าหน้าที่นำตระเวนแล้วก็นำออกนอกพระนครตัดพระองค์ออกเป็นสี่ท่อนทิ้งไว้สี่ทิศแล้วตั้งกองรักษาทีฆาวุกุมานได้นำสุราไปเลี้ยงพวกกองรักษาจนเมาฟุบหลับหมดแล้ว เก็บพระสบของพระมาณดาบิดามารวมกันเข้าถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็เข้าป่าส่งกันแสงคร่ำครวญจนเพียงพอแล้วก็เข้าสู่กรุงพาราณสีไปสู่โรงช้างหลวงฝากพระองค์เป็นศิษย์นายหัตถาจารย์ในเวลาใกล้รุ่งทีขาวุกุมารมักตื่นบันทมขึ้นทรงขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะและดีดพินพระเจ้าปรุมทัตได้ทรงสดับเสียง รับสั่งถามทรงทราบแล้วตรัสให้หาทีขาวุกุมารเข้าเฝ้าครั้นทอดพระเนตรเห็นทีขาวุกุมารก็โปรดให้เป็นมหาดเล็กในพระองค์ทีขาวุกุมารได้ตั้งหัตถ a ปฏิบัติพระเจ้าปรุงมทัทเป็นที่โปรดปรานมากในไม่ช้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจําในตําแหน่งเป็นที่วางพระราชหฤทธยในภายในวันหนึ่งพระเจ้าปรุงมทัทเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อ ทีขาวุกุมานเป็นนายสารถีรถพระที่นั่งได้นำรถพระที่นั่งแยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ครั้นไปไกลมากแล้วพระเจ้าพระมทัต ท, ทรงเหน็ดเหนื่อยมีพระราชประสงค์จะบันทมพักจึงโปรดให้หยุดรถแล้วทรงบันทมหนุนบนเพลาคือหน้าตักของทีขาวุอยู่ครู่เดียวก็บันทมหลับทีขาวุคิดถึงเวรขึ้นว่าพระเจ้าพรมทัตนี้ ได้ทรงประกอบกรรมก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมากจนถึงปรงพระชนพระราชมารดาบิดาของตนบัดนี้ถึงเวลาสิ้นเวรกันเสถียรจึงชักพระขันขึ้นจากฝักในขณะนั้นพระราชดำรัสของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในหาไทยของทีคาวุกุมารเตือนให้คิดว่าไม่ควรละเมิดคำของพระราชบิดาจึงสอดพระขันเข้าฝัก รั้นแล้วความคิดที่เป็นเวรก็ผุดขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สองที่ขาวุกูมานก็ชักพระขันขึ้นจากฝักแต่เมื่อระลึกถึงพระราชด â รัสของพระราชบิดาก็สอดพระขันเก็บอีกในครั้งที่สามก็เหมือนกันที่ขาวุกุมารชักพระขันขึ้นแล้วด้วยเวรจิตแล้วก็สอดพระขันเก็บด้วยอำนาจพระราชด âm รัสของพระราชบิดาในขณะนั้นพระเจ้าพรศมท์สทสงสะดุง้ง เสด็จลุกขึ้นโดยฉับพลันมีพระอาการตกพระไทยกลัวที่คาวุกุมาจึงกราบบังคมทูลถามจึงรับสั่งเล่าว่าทรงพระสุบินเห็นที่คาวุกุมารโอรสพระเจ้าทีคีติแห่งพระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขันทันใดนั้นที่คาวุกุมารก็จับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตด้วยหัดซ้ายฉักพระขันออกด้วยพระหัดขวาทูลว่าเรานี่แหละ คือทิคาวุกุมานโอรสของพระเจ้าทีคีติซึ่งพระองค์ได้ทำความทุกข์ยากให้อย่างมากมายจนถึงปลงพระชนพระราชมารดาบิดาของเราบั น, นี้ถึงเวลาที่เราจะทำให้สิ้นเวนการเสียทีพระเจ้าปรุมทัตจึงมอบลงขอชีวิตข้าพระองค์อาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไรพระองค์นั่นเองพึงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์พ่อีคาวุถ้าอย่างนั้น เจ้าจงให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็ให้ชีวิตแก่เจ้าพระเจ้าพรหมทัตและทีขาวุกุมานทั้งสองจึงต่างให้ชีวิตแก่กันและกันต่างได้ทำการสา บ, บุสาบานว่าจะไม่คิดทรยศต่อกันครั้นแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับรถทีขาวุกุมานก็ขับรถมาบรรจบพบกองทหารแล้วเข้าสู่พระนครพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ประชุมอมัมมัด ตรัสถามว่าถ้าพบทีขาวุกุมารโอรสพระเจ้าทีคีติจะพึงทำอย่างไรอามาลเหล่านั้นกราบทูลว่าให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกบ้างให้ตัดศีรษะบ้างพระเจ้าพระมทัตจึงตรัสว่าผู้นี้แหละคือทีขาวุกุมานโอรสพระเจ้าทีคีติแต่ใครจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากุมานนี้ให้ชีวิตแก่เราแล้ว และเราก็ให้ชีวิตแก่กุมานี้แล้วแล้วสรงหรันไปตรัสคอให้ทีขาวุกุมารอธิบายพระดํารัสของพระราชบิดาในเวลาที่จะเส้นพระชนทีคาวุกุมารจึงกราบทูลอธิบายว่าคําว่าอย่าเห็นยาวคืออย่าได้ทําเวรให้ยาวคําว่าอย่าเห็นสั้นคืออย่าด่วนแตกกับมิตรคําว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวรคือถ้าข้าพระองค์คิดว่าพระองค์ทรงปลงพระชนพระราชาดาบิดาของข้าพระองค์จึงปลงพระชนของพระองค์เสียพวกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ก็จะพึงปลงชีวิตของข้าพระองค์ส่วนคนที่ชอบข้าพระองค์ก็จะพึงปลงชีวิตของพวกคนเหล่านั้นเวรจึงไม่ระงับลงได้ด้วยเวรอย่างนี้แต่ว่าบัดนี้พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ ละข้าพระองค์ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้วเว้นนั้นจึงเป็นอันระงับลงด้วยความไม่ผูกเวน้นพระเจ้าพรหมทัตตรัสสรรเสริญแล้วพระราชทานคืนราชสมบัติของพระเจ้าทีคีติและได้พระราชทานธิดาแกท่ทีคาวุกุมารเรื่องนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยา น, นวงศ์ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นคาชันไว้ เรียกว่าทิคาวุคำฉันนิทานเรื่องระ ง, งับเวรที่เล่านี้เป็นเรื่องโบราณยังมีนิทานเรื่องระ ง, งับเวรในระยะเวลาใกลน้นี้คือในสงครามโลกราวที่แล้วเมื่อญี่ปุ่นเดินทับผ่านประเทศไทยจับฝรั่งมาเป็นเฉลยกำหนดให้ทำงานต่างๆคนไทยก็พากันสงสารเฉลยฝรัง่งและแสดงเมตตาจิตสงเคราะห์จนเห็นพวกชาวบ้านหาคอนผลไม้ไปคอยให้ พากันช่วยเจือจานต่างๆไม่ได้ถือว่าเป็นคู่เวนคู่ศัตรูครั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามกลับเป็นฉเฉลยคนไทยก็กลับสงสารญี่ปุ่นอำนาจเมตตาจิตของคนไทยส่วนรวมนี้เชื่อกันว่าเป็นเครื่องผูกมิตรในจิตใจของทั้งฝรัง่งทั้งญี่ปุ่นซึ่งได้ช่วยประเทศไทยไว้อย่างมากมายถ้าคนไทยมีนิสัยผูกเวรมากกว่าผูกมิรแล้วเหตุการณ์ก็น่าจะไม่เป็นเช่นนี้ อาศัยการปฏิบัติตามคำที่ทุกคนคงได้ฟังจนคุ้นหูคือขออภัยกับคำว่าให้อภัยเมื่อใครทำอะไรล่วงเกินแก่คนอื่นก็กล่าวคำขออภัยหรือขอโทษฝ่ายผู้ที่ถูกล่วงเกินก็ให้อภัยคือยกโทษให้คนเราต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คือร่วมบ้านเรือนร่วมโรงเรียนร่วมประเทศชาติเป็นต้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ก็อาจจะประพฤติล่วงเกินกันบ้างเพราะความประมาทพลั้งเผลอต่างๆถ้าต่างไม่รู้จักขออภัยและไม่รู้จักให้อภัยแก่กันและกันแล้วก็จะทะเลาะวิวาทกันแตกญาติแตกมิตรแตกสหายกันไม่มีความสงบสุขนี่แหละคือเวรอันได้แก่ความเป็นศัตรูกันหรือที่เรียกอย่างเบาๆว่าไม่ถูกกันนั่นเองอันหนึ่ง จะคิดว่าล่วงเกินเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ดังนี้แล้วไม่ระมัดระวังในความประพฤติของตนก็ไม่ถูกเพราะโดยปกติสามัญย่อมให้อภัยกันในกรณีที่ควรให้อภัยซึ่งผู้ประพฤติล่วงเกินแสดงให้เห็นได้ว่าทำไปด้วยความประมาทหรือด้วยความโง่เขลาเบาวปัญญาและให้โทษไม่มากนักคนที่มีจิตใจสูงเป็นพิเศษเท่านั้นจึงจะให้อภัยในเรื่องร้ายแรงได้ ซึ่งก็มีเป็นส่วนน้อยและถึงแม้จะให้อภัยในส่วนตัวแต่กฎหมายบ้านเมืองไม่ยอมอภัยให้ก็มีและโดยเฉพาะเมื่อเป็นบาปหรืออกุศลกรรมแล้วกรรมที่ตนก่อขึ้นไม่ให้อภัยแก่ผู้ก่อกรรมนั้นเลยฉะนั้นทางที่ดีจึงควรมีสติระมัดระวังมีขันติคือความอดทนมีโสรัจะ คือความสงบสงเสงียมคอยเจียมตนประหยัดตนไม่ก่อเหตุเป็นเวรเป็นภัยแก่ใครพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสัญญามโตเวรังนาจิยติผู้ระมัดระวังอยู่อย่างไม่ก่อเวร เยงอ่านหนังสือความเข้าใจเรื่องกรรมผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาการให้ปัญญาเป็นทานที่มีอ น, นิสงส์มากเพราะปัญญานาพาความสุขแท้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมาให้ชีวิตคนเรานะครับจะมีความสุขได้จริงหัวใจหลักคือปัญญาการรู้จักเลือกเพื่อนเลือกคนรักเลือกงานเลือกเรียนสอนลูกเป็นดูแลตัวเองและคนรักถูกวิธี รู้จักเลือกนับถือผู้ที่ควรนับถือรู้ว่าอะไรถูกผิดควรไม่ควรไม่ตีความพุทธวัจนะผิดไม่หลงโลกไม่ทุกข์ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนเกิดได้เพราะมีปัญญาอันเป็นสัมมาทิฐิการทาบุญด้านให้ปัญญาในทางที่ถูกจึงส่งเสริมมีอ น, นิสงส์มีผลต่อเส้นทางชีวิตของแต่ละคนอย่างประมาณไม่ได้นะครับจึงมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าการใหธรรมะชนะการใหทั้งปวง ธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมะแท้ที่ทำให้รู้เห็นตามเป็นจริงทำลายอัตตาและความยึดติดได้ด้วยนะครับอ น, นิสงส์งก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกหากเลือกให้เหมาะกับอายุจริตปัญญาวาสนาและมีช่องทางกระจายในวงกว้างได้มากเท่าไหร่เข้าถึงผู้คนได้จริงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับผลบุญทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าเช่นกันหากท่านเห็นประโยชน์ในงานเผยแร่ธรรมของจุมรงผลดี ต้องการร่วมสร้างกุศลเป็นมหาธรรมทานสามารถร่วมบุญสนับสนุนชมรมผลดีได้ไง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์และสำคัญที่สุดคือร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบุญใหญ่จากการฟังธรรมเป็นบุญที่ประมาณไม่ได้นะครับหากไม่มีเวลาก็สละเวลาสักวันละนิดเพื่อฟังธรรมะนะครับหรือจะร่วมบุญสนับสนุนสินค้าชมรม รวมเป็นเจ้าภาพเพื่อจะททำเสียงอ่านในแต่ละเดือนก็ได้นะครับดูรายละเอียดได้ที่ Facebook โจโฉเสียงธรรมเนื่องจากในปัจจุบันนี้มีคนใช้ชื่อโจโฉเยอะมากนะครับแล้วก็มีการนำเสียงผมไปลงในช่องทางต่างๆมากมายก็โปรดระวังการเข้าใจผิดไว้ด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โจโฉ o อทเโจโฉพิมภาษาไทยได้เลยนะครับขออนุโมทนาคุณทวีช่างพินิษ คุณระพีวัดดำคลองตันคุณจันทิมาทองสีมาคุณปียาณาสุวิศสักดานนท์คุณสุภาพรเทียมบุญประเสริฐครอบครัวบุบลิสครอบครัวเจริญวรับปรชัชญาครอบครัวโทสกุลครอบครัวธนะลือ ค, คุณตวงพรดวงศารเพื่อความเหมาะสมและไม่เป็นการรบกวนผู้ฟังทั่วไปเกินไปจะอ่านชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทํำสิ่งอันหนังสือให้ร่วมมนุษย์มรณาแค่ประมาณสิบรายชื่อเท่านั้นนะครับดูรายชื่อทั้งหมดได้จาก Facebook แล้วก็จะลงไว้ใต้คลิปใน YouTube เพื่อเก็บเป็นตระวัดไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ร่วมอนุโมทนาต่อไปนะครับขอทุกท่านปลื้มปีติในบุญอันเป็นมหาธรรมทานนี้ร่วมกันขอพระคุณการสนับสนุนในทุกช่องทางและทุกกำลังใจทุกการไลค์ทุกจิตเมตตาที่ส่งมาให้จนทำให้สามารถเผยแพร่ธรรมต่อเนื่องยาวนานมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับสาาัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง อริยคุณพุทธธรรมโจ้โชเสียงธรรมชมรมพลดีกุมพาพันธ์พุทธศักราช 2,564 เรื่องรามากมายที่เพียนคนหาที่เห็นเป็นโชตาปิคิดชีวิผู้คนอาจเคยน้อยใจละยังสับสน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 คนได้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าไปลองดูเรื่องกรรมคือการกระทําของเธอแม่คิด ในใจอาจคอยส่งผลร้ายรอยาจลึกล่าแต่มันคงกับการส่งผลของกรรมเคยทำอะไรทำดีหรือร้าย ทนไม่นานเรื่องไรจะผ่านไปหากยังทำดีฮหหหหากเป็นคนดี